นี่มาดูคําอธิบายคาถาแรกเลยนะียทีนี้พูดถึงในเถรคาถาเนี่ยน ะ, ะท่านพระอนนได้กล่าวชมเชยพระเถระเหล่านั้นในคราวทำปฐมสังขยาก่อนจะให้ท่านพร ะ, ะก่อนที่จะกล่าวเถรคาถาของพระเถระแต่ละองค์แต่ละองค์พระอนนท่านก็ชมชมพระอรหัน์เหล่านั้นก่อนท่านชมว่าขอท่านทั้งหลายจงฟังคาถาอันน้อมเข้าไปสู่ประโยชน์ ของพระเถระทั้งหลายผู้มีตนอันอบรมแล้วบรรลืออยู่ดุจการบรรลือแห่งสีหาทั้งหลายซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าเหล่าสัตว์ที่มีเขี้ยวทั้งหลายที่ใกล้ถ้ำภูเขาฉะนั้นอันนี้เป็นคาถาแรก น, นะเหมือนขอท่านทั้งหลายอันนี้เป็นคำเชิญชวนคาถาเป็นชื่อของเรื่องเรื่องเหล่านี้น้อมเข้าไปสู่ประโยชน์อย่างจริง เป็นเรื่องที่พระเถระทั้งหลายผู้ที่ผ่านการอบรมสมถะวิปัสนาอย่างบริบูรณ์เหล่านั้นน่ะท่านกล่าวเอาไว้เหมือนกับการบรรลือสีหานาตเนะส่วนตรงนี้ท่านยกศัพท์ว่าสีหศัพท์สีหศัพท์นี้มีตรงนี้มีสามความหมายนะสีหานั่นนะสีหะในพระไตรปิฎกมีสามความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงพญาเนื้อนะมาหมายแรกนะครับที่แรกก็ราชศีราชสีเนี่ยแปลว่าพญาเนื้อ แล้วก็ความหมายที่สองก็มาในบัญญัตินะเช่นคนชื่อสีหะมีใช่ไหมก็คือเช่นสมัยพุทธกาลก็ศรีหะเสนาบดีอันนี้เป็นบัญยัตินะนี่ยเป็นคําที่ตั้งกันขึ้นแล้วบางสูตรก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพระตถาคตที่พระองค์ตรัสว่าคําว่าสีหะเป็นชื่อของเราตถาคตผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคำว่าตถาคตที่เรียกว่าสีหะสีหะคือตถาคตเนี่ยแปลความหมายว่าคล้ายกัน ไม่ใช่ว่าพาระพุทธเจ้าคือราชสีไม่ใช่แต่ความหมายในลักษณะว่าคล้ายกันถามว่าคล้ายกันยังไงราช ส, สีเป็นสัตว์ที je ่องอาจใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็องอาจเหมือนกันเนี่ยในราชาสีเป็นสัตว์ที่แกล้วกล้าพระพุทธเจ้าก็เป็นสัตว์ที่แกล้วกล้าเหมือนกันเนี่ยราชสีเป็นสัตว์ที่คำรามแล้วสัตว์กลัวหมดเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยพวกทิฐิทั้งหลายก็กลัวหมดเลยเหมือนกันในลักษณะเดียวกัน มันคําว่าราชสีตรงนี้หมายถึงถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนราชสีเนี่ยนะแปล ว, ว่าคล้ายเนี่ยนะเหมือนก็ไม่ใช่อยู่แล้วเนี่ยนะเหมือนทองเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ทองนะเหมือนเงินแสดงว่าไม่ใช่เงินทีนี้วิธีการขยายเนี่ยนะถ้าเรียนเนติปกรณ์มาเนี่ยถ้าคําที่ท่านขยายก็คือขยายวิจัยาหาระให้ให้ดูตามวิจัยหาระวิจัยาหาระมีการวิจัยสิบเอ็ดใน วิจัยอันแรกก็คือวิจัยบทก่อนวิจัยที่2ก็คือวิจัยคําถามวิจัยที่3ก็คือวิจัยคําตอบวิจัยที่4ก็คือคําหน้าคําหลังเนี่ยนะการเชื่อมกันการสัมพันธ์กันวิจัยที่เท่าไรเท่าไรเนี่ยหบท2คําถาม3คําตอบ4คําหน้าคําหลัง5ก็อนุคิติอนุคิติว่า ความสมควรกับความไม่สมควรหรือว่าความสอดคล้องกันเป็นต้นนั่นเอง5ได้ใช่มแล้วก็วิจัยอัาธาอาทีนวานิสรณะผลและอุบายเป็นการวินิจฉัย11ในและอนัต ด, ด้วยนะอีกคำหนึ่งตรงนี้ก็ยกว่าอาคำตรงนี้บทตรงนี้เป็นบทยังไงเช่นบทในภาษาบาลีเนี่ยมีอยู่4บทะนะก็คือ น, นามนามมาบทอาขยาบทวิพัทบทอุปสรรคบท แล้วก็ถ้าเป็นนามก็ว่าไปตามวิพัฒน์ไปเนี่ยว่าเป็นวิพัตน์อะไรบ้างปฐมาวิพัตน์ทุติยาวิพัตต์ตติยาวิพัฒน์เป็นต้นเนี่ยนะหรือเป็นวจนะอะไรเป็นเอกวชนะพหูวชนะเป็นต้นนั้นก็จะอนัตไงอนัตข้อแรกหนึ่งบทสองคำถามสามคำตอบสี่คำหน้าคำหลังห้าอนุคีติเนี่ยนะแล้วก็หกอัศรทะเจ็ดอาทีนวะแปดนิสรณะนิสรณะเก้าก็ผลสิบ อุบายสิบอ็ดอนัตเนี่ยนะ<โ> ก, ก็จะท่านจะวิจัยตามเนี่ยท่านวิธีการขยายอัตถาก็ตามแนวตามแนวเนติปกรณ์ที่พระมหากาจยนะนํานําแนวให้เช่นใช่ก็จะชี้ให้เห็นแต่ไม่ได้บอกตรงตรงว่า น, นี่คืออาสาธะตรงนี้คืออาทีนาวะอันนั้นเนะช่นบอกว่าถ้าท่านพูดเชิงตําหนิขันห้าที่ไหนเช่นไม่เที่ยงเป็นทุกตรงนั้ น, น่ะประกาศอาทีนวะเปลือยอะไรที่พูดถึงว่าโอ้โหเพลิดเพลินในขันห้าเหลือเกินอันนั้นก็เป็น อาสาธะเมื่อไดที่บอกความสงัดจากขันห้าความสงบจากขันห้าสุขอย่างยิ่งอันนั้นก็เป็นนิสรณะเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ชี้นำด้วยว่าจะต้องไปปฏิบัติยังไงปฏิบัติแล้วจะมีผลยังไงเนี่ยนะท่านก็จะชี้นำชักชวนพาวิจัยให้ดูด้วยเนี่ยนะเช่นอย่างบทนะท่านก็บอกว่าบทว่าสีหานังวะเนี่ยตัดบทก็เป็นสีหานังอีวะเนี่ยนะอันนี้เป็นสนทีนะ มือนอะไรท่านก็ยกที่อื่นมาให้ดูเช่นคําว่าเอวังสะเตนี่อีวะเนี่ยเป็นนิบาศเนี่ยนะ น, นี่วิจัยบทให้ดูสุนาทะเป็นอาขยาสนะคําที่เหลือเป็นนามเนี่ยนะแสดงว่าตรงนี้ที่ผ่านมาไม่มีอุปสรรคอยู่เลยเหมนกันแล้วก็สีหานังวะเป็นฉัตรทีวิพัตนะน์นะยังไงก็จะชี้แจงวิพัตนะ์นะนีก็คือถ้าเป็นผู้ที่เรียนไวยากรณ์มาก็ไม่มีปัญหาก่อนนี้คือเรียกว่าเป็นการวิจัยบทหมดเลยว่าศัพท์นี้หมายถึงอะไรอะไรอะไรเนี่ยนะ ถ้าเป็นสมัยนี้พูดง่ายๆภาษาเราก็คือตรวจสอบคำทุกคำหมดเลยมาตกส ะ, สาะสอาสสะอาสีสีหรือเปล่าเสียงสูงเสียงต่ำถูกหรือเปล่าเนี่ยนะวรรคตอนถูกไหมอะไรไหมเนี่ยแหละเขาจะวิจัยหมดเลยวิจัยในรูปแบบของของการตกแต่งก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาวิจัยความหมายแต่และความหมายต่อไป mm. คำว่าสุนาถะนี่เป็นคาเชิญชวนในการฟังคาว่าภาวิตตานังเนี่ย แสดงถึงข้อมูลของสิ่งที่ควรฟังคําว่าข้อมูลตัวนี้ก็คือทําไมจึงสิ่งคําพูดที่ที่ที่พระเถระพูดอะทำไมจึงน่าฟังถ้าตั้งคําถามแบบนี้ขึ้นนะเพราะว่าพระเถระเหล่านั้นอะท่านอบรมตัวเองได้ดีบริบูรณ์แล้วท่านพูดขึ้นเพราะนั้นคำพูดของท่านจึงน่าฟังเหมือนกันนั้นคำว่าผู้มีตนอันอบรมแล้วเนี่ยหมายถึงข้อมูลของสิ่งที่ควรฟังจริงจริงอันคาถาก็เป็นเรื่องที่น่าฟัง ในมาวินิจฉัยถึงคำว่าราชสีเนี่ยนะหรือสีหะสีหะเนี่ยสีหะนี่โดยศัแ์แปลว่าอดทนหรือมีความหมายว่าอดทนหรือมีความหมายว่าค่าก็ได้อย่างคำว่าอดทนเนี่ยนะเปรียบเหมือนราชสีที่เป็นพยามฤกเนี่ยย่อมไม่มีอันตรายแม้จากสับพมฤกและช้างที่ตกมันแล้วเป็นต้นเพราะประกอบด้วยพลังพิเศษ แม้อันตรายจากลมและแดดเป็นต้นราชสีก็อดทนได้ทั้งนั้นเมื่อออกหากินพบช้างตระกูลคันธะตกมันหรือกระบือป่าเป็นต้นก็ไม่หวาดหวัน่นไม่พร่านพึงผจญได้เพราะพะยองในเดชอันนี้หมายถึงว่าราชสีนี่อดทนทุกสถานที่ไม่นึกกลัวในที่ทุกเห็นทุกแห่งเลยนะอดทนก็คือไม่ไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักกลัวไม่รู้จั ก, กวันไวไม่รู้จักเกรงไม่รู้จักอะไรยู่ต่อไปได้อย่าง เ, านะเช่นทนยุงกัดก็แปลว่า อยู่ได้อะนะถึงถูกยุงกัดก็อยู่ได้เป็นต้นอันพระราชศรีเนี่ยถึงจะอยู่นะที่ใดก็อดทนเสมอทนได้ทุกอย่างอนะอันนี้คําว่าสีหะแปลว่าอดทนในที่สองก็บอกความหมายแปลว่าฆ่าสีหะแปลว่าฆ่าบอกว่าเมื่อผจนสัตว์เนี่ยนะขั้นก็สีหะก็จะฆ่าฆ่าแล้วก็กัดกินเนื้ออ่อนๆในที่นั้ น, น, นอยู่ได้อย่างสบายฉันใดนั่นนะอันนี้อุปมาราชศรีก่อนนะสัตว์ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ย เขามีความอดทนสูงมากนะข้แรกข้อสองถ้าเขาเจอสัตว์ที่เป็นอาหารเขาก็จะฆ่าเนี่ยนะฆ่าแล้วก็กินเนื้อแล้วก็ไปทีนี้พูดถึงผ้าอรหันท์ทั้งหลายที่เทระคถาเนี่ยนะก็นยะเดียวกันท่านเหล่านั้นก็อดทนคือท่านไม่หวั่นไหวไม่พลั่นพรึงในที่ไหนๆเพราะท่านมีความพยองในเดชโดยละอันตรายทั้งปวงเสียได้ประกอบด้วยคุณนพิเศษอันเป็นกาลังของผ้าอรยะนั้นผ้าอรยะทั้งหลายท่านเป็นผู้อดทน ที่ท่านอดทนได้เพราะอะไรหนึ่งท่านละกิเลสเครื่องกวาดเครื่องกลัวทุกชนิดหมดแล้วท่านพยองในเดชของท่านท่านมั่นใจในเดชของท่านเดชของท่านคืออะไรเดชคือศีลเดชคือสมาธิเดชคือปัญญาเดชคือวิมุตต์เดชคือบุญเดชคือญาณอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยท่านเหล่านี้ท่านมีเดชเหล่านี้อยู่แล้วก็ท่านละอันตรายทุกชนิดอันตรายภายในอันตรายภายนอกโดยเฉพาะอันตรายจากเกิดจากบาปอกุศลเนี่ยท่านละหมดเกลี้ยงเลยอะ แล้วท่านก็ยังประกอบด้วยคุณธรรม ท, ที่เป็นกําลังของพระอริยะเช่นว่ากําลังของท่านเนี่ยกําลังคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นหรืออีกในหนึ่งก็บอกกาลังคือการเห็นสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นกําลังอย่างหนึ่งของท่านกําลังที่เห็นว่ากามทั้งหลายเนี่ยเช่นกับหลุมฐานเพลิงอันนะั้เห็นอาสาท่เหมือนกับหลุมฐานเพลิงน่ากลัวขนาดนั้นอันนะั้เห็นว่าพระนิพพานเนี่ย สงบจริงๆสุขจริงๆ น, นะวิเวกเนี่ยดีจริงๆแล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตตั้งมั่นในสติปัญญาสัมมาปัญญาอิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อาริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แปดอะสิ่งเหล่าเนี้ยเป็นกําลังของท่านเพระาะท่านจึงมีความอดทนจึงอดทนได้ทีนี้เมื่อท่านครอบงําพลังของกิเลสเป็นต้นแล้วอะท่านก็ฆ่ามันซะ น, นะแต่ท่านอดทนในเรื่องของกิเลสนะท่านก็ฆากิเลสเพราะฉะนั้นท่านก็เลยอยู่โดยเป็นสุขมีสุขในฌานเป็นต้น คิดดูนะว่าพระอรหันต์เนี่ยจะอยู่เป็นสุขขนาดไหนเข้าปฐมฌานก็ได้เข้าทุติยะฌานก็ได้เข้าตัติยะฌานก็ได้เข้าจตุตชฌานก็ได้ประสงค์จะเอาอะไรมาคิดก็ได้ประสงค์จะคิดก็ได้ประสงค์ไม่คิดก็ได้เนี่ยนะที่ผู้ที่เป็นสุขวิปัสสกาเนี่ยก็เข้าฌานได้เหมือนกันก็ได้อยู่แล้วก็เข้าปฐมฌานก็ได้แล้วคือเข้าสมาบัตินั่นเองเข้าสมาบัติก็ได้อยู่แล้วถือถ้าเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วเนี่ยนะไปเจริญฌานอีกทำไม่ยากแล้ว ตอนแรกเนี่ยอาจจะตอนแรกไม่ได้ชารนแต่ถ้าเป็นผ้าหัน์ไปแล้วทําอะไรบ้างทำไม่ได้จะทําหรือเปล่าแค่นั้นเองโ ส, อโสดาบันก็ไปเจริญได้แล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะหนึ่งกิเลสไม่กลุ่มรุมแบบทั่วไปไม่มีกิเลสแล้วจะไปเจริญอะไรก็ได้ไม่ยากเขาก็ไม่ได้ห้ามว่าเออถ้าเป็นผ้าหาันแลต้องไม่เจริญต่อนะท่านนไม่ได้ท่านไปเจริญต่อได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเนี่ยนะบรรลุแล้วก็จะเจริญอะไรก็ได้อยู่แล้ว แต่ว่าโด ย, โดยอัฏฐาแห่งศับนะสีหะศัพท์นี้มีอัดว่าเบียดเบียนเบียดเบียนหรือแปลว่าอดกลั้นก็ได้นะทีนี้ถ้าเปรียบอุปมาอีกในหนึ่งว่าไกรสอนราชศรีพยายามมรึกตัวเดียวเที่ยวไปเพราะความพยองในเดชของตนไม่หวังเอาสัตว์อะไรอะไรเป็นสหายคือมั่นใจตัวเองมาก น, นะไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้อันนั้นไกรสอนราชสรีเนี่เป็นอย่างนั้นแม้พระเถระเหล่านั้นก็ฉันั้นชื่อว่าสีหะเพราะเป็นดุษสีหะ เป็นผู้ยินดียิ่งในวิเวกนะคือยินดียิ่งในการสงบสังคตะธรรมทั้งปวงคือพระนิพพานเนี่ยนะเอาสูงสุดเลยนะจริงๆท่านก็ยินดีในการยวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกและแม้พราดว่าเป็นผู้เดียวเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวไปแต่ผู้เดียวคําว่าเที่ยวไปเนี่ยของเราก็เอาแต่เดินเท้าไปคนเดียวนะไม่มีคนหน้าข้างหลังไม่ใช่อย่างนั้นกายของท่านผู้เดียวและจิตของท่านเที่ยวด้วยอะไรกายของท่านเนี่ย กายวาจาของท่านเที่ยวไปด้วยศีลจิตของท่านเที่ยวไปด้วยสมถาวิปัสนาจิตของท่านเที่ยวไปด้วยสมถาวิปัสนาเอาม่นะกายของท่านวาจาของท่านเที่ยวไปด้วยศีลจิตของท่านเที่ยวไปด้วยสมถะและวิปัสนาแล้วก็เข้าพระสมาบัติเป็นต้นได้มั้นท่านเที่ยวไปด้วยมรรคมีองแปดท่านมีไหมขณะไหนที่ท่านปล่อยปละตัวเนี่ยนะด้วยไปให้คล้าเคล้าบาปอกุศลไม่มีมีแต่อบริบูรณ์ด้วยศีลมันท่านเที่ยวไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วย ด้วยปัญญาเนี่ยนะเดี๋ยวเราเรียนถึงอุบาลีเถรคถาเนี่ยพระอุบาลีเนี่ยเที่ยวอยู่ด้วยการคิดแต่เรื่องพระวินัยเนี่ยนะเป็นหลักอย่างพระนนก็เที่ยวค้นคิดตรึกถึงพระธรรมที่ท่านเรียนมานะภาษาริบุตรก็ตรึกในการพิจารณาหมวดธรรมทั้งหลายแหละเนี่ยนะพระมหากระจายนะรมย่อท่านหนูท่านเหล่านั้นเน่ยเที่ยวไปไม่ธรรมดาเพราะท่านเที่ยวเหล่านั้นเที่ยวไปคําว่าผู้เดียวเนี่ยเดียวทั้งกายวิเวกจิตวิเวกและอุปทิวิเวก เพราะฉะนั้นพ่อหลายพ่อท่านเป็นผู้สูงด้วยเดชแห่งศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแปลว่าในฐานะว่าพาลรหัา์เหล่านั้นเหมือนราชสีเพราะว่าเที่ยวไปเที่ยวเดียวนะอีกในหนึ่งเนี่ยนะว่าพระมหาเถระเหล่านี้ชื่อว่าสีห์เพราะอาธิบาว่าเป็นเหมือนกับสีหะเพราะประกอบด้วยคุณวิเศษสีหะนี้เป็นยังไงเป็นสิ่งสัตว์ที่ไม่สะดุง้งไม่มีคําว่าตกใจนะ สีห์เนี่ยไปเป่าแตรดังๆใกล้หูก็ยังไม่ตกใจก็เหลือบดูเอ๊ะมันอะไรเนี่ยแค่นั้นแหะไม่รู้สึกว่าสะดุ้งตกใจอะไรเนี่ยฟ้าผ่าก็ไม่ตกใจไม่สะดุ้งแล้วก็เป็นสัตว์ที่ว่องไวมากสํานวนเขาว่าราชสีเนี่ยคำรามเสียงก้องไปนะก็วิ่งไปเนี่ยทุกทิศที่เสียงมันไปนัแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมและเสียงหายไปพอดีวิ่งไปฟังดูเสียงของตัวเองแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมได้ไวขนาดนั้นอ่างนั้น ก็แต่ว่าฟังแบบสมัยก่อนไอ้สมัยนี้บางคนเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยฟังไม่เชื่อใช่ไหมแต่ก็อย่างพวกพวกอะไรนะอาวุธยุโทโธปรกรณ์สมัยนี้ก็เร็วกว่าเสียงอยู่แล้วเนี่ยนะพวกอะไรนะพวกเอฟสี่หกก็เร็วกว่าเสียงอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเกิว่าบินไปแล้วบินกลับมาฟังเสียงตัวเองได้เลยอะ่ะเร็วขนาดนั้นนะแล้วก็ ท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีความพยายามะนะวิริยะนะท่านเป็นผู้ที่มีความกล้าอย่างแท้จริงสมดังคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายสัตว์สองจำพวกนี้เนี่นะเมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุง้งสองจำพวกคือชนัยคือพิสษุผู้ขีนาศบกัดสีหมรุกราชดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสัตว์สองจำพวกนี้แหลฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุง้งถามว่าทำไม สีหมรคขราชเนี่ยจึงไม่สะดุง้งเพราะมันมานะกล้ามากมันมันคือว่ามีความมั่นใจตัวเองสูงจนไม่มีอะไรน่ากลัวแม้แต่นิดเดียวคือถ้าคนถ้ามั่นใจถึงสุดๆนะจะไม่มีอะไรมามาชนิดที่เรียก ว, ว่าน่ากลัวน่าขนพองสะยองกล้ามาอะไรเนี่ยนะไม่มีสักนิดเดียวฉันใดผ้าหันก็ฉันนั้นถามว่าท่านผ้าหาันทําไมท่านจึงไม่กลัวเพราะท่านไม่มีเยื่อใยใน ขันห้าที่เป็นเหตุแห่งความกลัวอีกต่อไปไม่รู้กลัวทําอะไรเนี่ยนะอย่างมากก็ตายท่านก็ไม่ได้กลัวตายอะไรเนี่ยนะกลัวโน่นกลัวนี่ท่านก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็เลยแม้กระทั่งฟ้าผ่าเนี่ยนะฟ้าผ่าอย่างมากก็ตายปกติท่านก็ไม่ได้กลัวตายอยู่แล้วเนี่ยก็เลยไม่รู้จะกลัวอะไรนี่ในแรกเขาบอกว่าไม่สะดุ้งกลัวเนี่ยนะในที่สองบอกว่าแมราชสีนี้ก็เป็นสัตว์ที่ว่องไว ก็ไม่สาธารณะทั่วไปกับสัตว์เหล่าอื่นแม้จะแกล้ว ก, กล้าก็คือไม่เหมือนสัตว์อื่นจริงอย่างนั้นราชสีห์กระโดดไปได้ไกลถึงร้อยอุสภะตกลงในหมูกระบือป่าเป็นต้นถึงแม้จะเป็นลูกราชสีห์ก็ยังต่อสู้ช้างที่ตกมันซึ่งทำลายปลอกออกได้เคี้ยวกินเนื้ออ่อนที่ติดโคลงาได้นี่นไอ้คำว่าราชสีห์เนี่ยจริงราชสีห์มีหลายพั น, นในธรรมะพูดถึงราชสีห์ที่กินหญ้าก็มี ที่ติดนราชสีราชสีกินหญ้ากาลราชสีก็คือกลุ่มราชสีดําราชสีที่กินเนื้ออีกในหนึ่งนะสัตว์กินเนื้ออย่างสิงโตที่เรารู้กันนะกับไกรสอนราชสีพวกนี้อยู่ที่ถ้ำทองทั้งนั้นอยู่ที่ถ้าถ้ำเงินถ้ำทองอ่ะนะก็คือกลุ่มสายพันธุ์ราชสีแต่เป็นราชคือไม่ใช่คือราชสีมีสีประเภทใช่ไหมสิงโตมันสัตว์กินเนื้อใช่ไหม ก็เป็นพวกอะไรพวกตรา่พวกสีหะกินเนื้อคือสีหะมีหลายตระกูลน่นะคือมีแต่ว่าอยู่คนละป่ากันคือป่าหิมะพานเนี่ยนะที่ไหนก็ไม่รู้ ส, งสิงโตก็มีทุกวันก็มีมไม่ใช่นะมีเยอะแยะไปคือคืออย่างในในคำสอนของเราเนี่ยนะอย่าง เขาอย่างไรมันมันมีการมองอีกกันกันคนละจั ก, กรวาลเอ้ยไม่ใช่คนละสิ่งที่มันคนละบรรยากาศกันนะนะก็ในโลกนี้ที่มันมีอะไรตั้งเยอะแยะที่ไม่รู้นะ ต, ตั้งไม่รู้อีกเท่าไหร่เนั่นนะนะต่อไปกว่าพูดถึงกําลังของพระรหันบั า, า, บางเนี่ยนะนะคือราชสีเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีกําลังว่องไวขนาดนั้นนะกําลังแห่งอารยมรรคและกําลังแห่งฤทธิ์ของพระมหาเทระเหล่านั้นก็ไม่สาธารณะกับภิกษุเหล่าอื่น นะไม่ไม่เหมือนใครทั้งนั้นนะ่ะนะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องเอาคนอื่นไปเปรียบกับท่านเหล่านั้นเลยเอาใครไปเปรียบพระมหากระสปะได้อายุร้อยยสบท่านเดินขึ้นลงบินทบาติเขาคิ้จิกูดสบายอะ่ะของเราร้อยี่สิบเนี่ยนะโอ้ตะคองกันขนาดไหนนะเดินขึ้นไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> และพระอรหันต์เหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความเพียรในสัมมาประธานสี่เป็นทั้งบุญอันประเสริฐยิ่งเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นท่านท่านเหล่านั้นจึงเหมือนราชสีเพิ่งทราบว่าอุปมาราชสีไว้ต่ำๆเพราะประโยชน์มีความอดกลั้นเป็นต้นอันเป็นคุณพิเศษล่วงส่วนได้ในรัทระทั้งหลายเหล่านั้นเท่านั้นคือไม่ใช่ว่าพาหันเนี่ยท่านจะเหมือนราชสีในแง่ในแ ง, นแง่ความเป็นเดราาัจฉานในแง่อะไรแต่ว่าในแง่ของอะไร ความอดทนความว่องไวความแกล่ากล้าความพยองเป็นต้นเนี่ยนะก็เอาเอาในแง่นั้นนน่นะมาเปรียบนะไม่ใช่ว่าเปรียบเทียบกันทุกกระเบียดนิ้วไม่ใช่อย่างนั้นนะทีนี้พูดถึงราชสีเช่นว่าราชสีนี่คำรามเหมือนว่าในเวลามุ่งหาอาหารและในเวลายินดีเป็นต้นราชสีออกจากถ้ำของตนแล้วก็บิดกายบรลือาาศีหนาหน้าเกรงขามฉันใดนะออกก็คำรามเสียหน่อยใช่ไหมถ้าสุ น, นัขก็เรียกว่าออกจากบ้านก็ต้อง เผลหรือหอนซะหน่อยอะนะอันนี้ไม่ใช่คนละอย่างแม้พระมหาเทระเหล่านี้ก็ฉันนั้นจะบรลลือลั่นหน้าเกรงขมในเวลาพิจารณาอารมณ์อันเป็นไปในภายใน น, นะคือภายในขณะไหนก็ขณะพิจารณาอุปาทานขันท่าเป็นต้นแล้วเข้าสมาบัตได้นะหลังจากนั้นท่านก็อุทานหรือในเวลาอุทานเป็นต้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระเทระเหล่านั้นเนี่ยบรรลือเหมือนกับราชสีบัลลือ บอกว่าถาถีนางแปลว่ามีเขี้ยวพูดถึงว่ามีเขี้ยวอันประเสริฐมีเขี้วงามะนะราชสีนี้อาศัยเขี้ยวใช่ไหมในการกัดสัตว์เนี่ยนะราชสีทั้งหลายข่มขวัญปริปรบด้วยกําลังของเขี้ยวทั้งสีที่มั่นคงและกล้าแข็งอย่างยิ่งนะถ้าฟันไม่ดีนะไปกัดอะไรเข้าฟันหลุดติดกับสิ่งนั้นเ่ยไม่ได้เรื่องนะอันนี้ต้องฟันดีจริงๆนะต่ปบจริงไหนก็ขาดกัเลยนะ เพราะว่าไอ้ความที่ฟันเนี่ยแข็งแรงอย่างนั้นอ่ะจึงยังมโนรสของตนให้ถึงที่สุดนะสมความปรารถนาทำได้ดังใจนึกเลยเนี่ยนะแม้พระมหาเทระเหล่านี้ก็ฉันนั้นคมกิเลสอันเป็นประปักที่ตนยังครอบงําไม่ได้ในสงสารที่หาเบื้องต้นไม่ได้ด้วยกําลังแห่งเขี้ยวคืออริยมรรคทั้งสี่เนี่ย น, นะยังมโนรสของตนให้ถึงที่สุดเพราะนั้นพระมหาเทระเหล่านั้นท่านก็มีเขี้ยว เคี่ยวของท่านคืออะไรคืออริยมรรคใช่ไหมข่มกิเลสที่เป็นปฏิปักเป็นปฏิปักมากแค่ไหนแล้วถามว่ากิเลสเนี่ยสร้างความเสียหายให้แก่เรามานานแค่ไหนบอกในสังสารวัฏอันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะอย่างสัตว์ทั้งหลายที่กําลังร้องให้เราได้ยินได้ยินกันอยู่เนี่ยนะเนี่ยคือผลของกิเลสที่ที่เป็นปฏิปักสร้างความเดือดร้อนให้ขนาดนั้น เป็นศัตรูอย่างแท้จริงอนะนะศัตรูคนอื่นๆมีศัตรูตัวไหนบ้างทําให้เกิดเป็นเนราชาญมีไหมทําให้เกิดในนรกทําให้ทุกทั้งหลายเกิดขึ้นไม่มีมีแต่กิเลสเนี่แหละมันทําให้มันทุกข์ร้อนเดือดร้อนเร่ า, ร, าร้อนอะไรกันขนาดนี้มันธาตอาหารเหล่านี้ท่านทําลายอกิเลส ท, ทั้งหมดเหล่านั้นด้วยอริยมรรคเลยนะราะในสังสารวัฏอันเบื้องอาหาเบื้องต้นไม่ได้เนี่ยกิเลส ท, ทําให้เดือดร้อน เพราะอะไรเพราะไม่ตรัสรู้อริยมรรคเพราะไม่มีอริยมรรคที่เป็นเหมือนเขี้ยวที่ไปตัดกิเลสอันนั้นนะ่ะในอธิการนี้พระอริยมรรคชื่อว่าเขี้ยวเพราะเป็นดุจเคี้ยวเพราะฉะนั้นพึงทราบความหมายโดยความหมายที่คล้ายกันเท่านั้นเนี่ยทีนี้พระทหารเหล่านั้นชื่อว่าอยู่ในที่ที่ไห น, นที่ป่านะคีริคับเรเนี่ยนี้เป็นคําแสดงถึงสถานที่อันรุ่งโรจน์ และแสดงถึงภาคพื้นที่ควรบรรลือสีหนาศของราชสีเหล่านั้น น, นะพือพวกราชสีทั้งหลายก็จะบรรลืออยู่ที่ไหนที่ถ้าโน่นน่ะบรรลืออยู่ที่ภูเขาโน่นน่ะก็ราชสีทั้งหลายเมื่ออยู่ที่ใกล้ถ้าภูเขาคือในที่ซึ่งสงัดจากผู้คนเพราะราชสีเป็นสัตว์ที่คนและสัตว์อื่นเข้าใกล้ได้ยากจะบรรลือสีหนาศในเวลาไปหากินเพื่อป้องกันความสะดุ้งกลัว ของหมู่มรึกเล็กๆที่จะบังเกิดขึ้นเพราะเห็นตนฉันใดเนี่ยนะราชสีเขาจะเลือกที่คารามเหมือนกันนะเดี๋ยวสัตว์ตกใจกลัวตายกันหมดเนี่ยนะเาก็เลือกเวลาเลือกสถานที่ดูความเหมาะสมเหมือนกันฉันใดแม้พระมหาเถระเหล่านี้เมื่ออยู่ในศูนยาคารเช่นเดียวนะ เ, เช่นไปอยู่ที่ถ้ำที่ภูเขาหรือที่คนเหล่าอื่นเข้าใกล้ได้ยากก็จะบลอสีหนาตอย่างไม่เกรงใครกล่าวคือคาถาที่ได้กล่าวไว ถามว่าทําไมเพื่อหลีกเว้นความสะดุ้งหวาดเสียวของสัตว์เล็กๆน้อยๆสัตว์เล็กน้อยด้วยอะไรด้วยอํานาจของตันหากับทิฐิเพราะฉะนั้นผู้ที่มีตันหากับทิฐินี่เรียกว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเลยนะเล็กๆน้อยจริงๆถามมันเล็กน้อยยังไงทิถิเนี่ยนําเกิดที่ไหนอ่ะคติสองของมิจฉาทิฐินะตอนนี้ใหญ่จริงแต่ว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนนะเกิดในที่เล็กๆน้อยๆทั้งนั้นแหละนะ ขัตติสองของมิจฉาทิฏฐิก็คือนร ก, กเดรฉานเนี่ยเล็กเป็นผุยผงเนี่ยก็แหมเบรฉานมันอาศัยอยู่ได้เอาฉนั้นพวกที่มีตันหามานาทิฏฐิหรือพวกปุตุชนทั้งหลายผู้ด้อยคุณธรรมก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าท่านบันลืออยู่ใกล้ๆเนี่ยโหพวกนี้สะดุ้งหมดนะันท่านเหล่านั้นเนี่ยคือพาฐันเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐ คำว่าสุนาทะเป็นคำเหมือนกับว่าสั่งบังคับให้ฟังสุนาระนี้คืออนัตนะนะลักษณะอนัตว่าท่านจงฟังนะจงฟังอะไรจงฟังคาถาอันน้อมเข้ามาสู่ประโยชน์ของตนของพระเทเรทั้งหลายผู้มีตนอันอบรมแล้วอ่ะนั้นคำว่าจงฟังตัวเนี้เป็นอนัตนะให้ฟังนะถามว่าทําไมจึงเกิดการฟังทําไมต้องฟังเหมือนกันพระนรเนี่ยประสงค์จะให้เกิดความเป็นผู้ใคร่จะฟังคือให้มีชันท่าที่จะฟัง ให้เกิดความสนใจในการฟังปลุกให้เกิดความอุตสาหะให้เข้าไปตั้งไว้ซึ่งความเคารพและความนับถืออย่างมากแก่บริษัทที่มาประชุมกันเพื่อฟังคาถาทั้งหลายเหล่านั้นที่พระเถระเหล่านั้นกล่าวอีกความหมายหนึ่งนะว่า คำว่าสีหานังเป็นต้นด้วยสา ม, มารถแห่งความสูงสุดอย่างเดียวโดยเว้นจากการกําหนดสัตว์ที่เสมอการอธิบายว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงฟังคาถาที่คล้ายกับการบรรลือสีหานาถอย่างไม่หวัน่นกลัวของพระเถระเหล่านั้นเหมือนการบรรลือสีหานาถของราชสีที่เป็นพระราชาของมรุษคือหมูเนื้อบรรลืออยู่คือคํารามอยู่แบบราชสีคํารามที่ใกล้ถ้าภูเขา ของสัตว์ชื่อว่ามีเขี้ยวทั้งหลายเพราะมีเขี้ยวประเสริฐมีเขี้ยวงามโดยความเป็นเขี้ยวที่มั่นคงแหลมคมท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าท่านทั้งหลายจงฟังคาถาอันกระทำความสะดุ้งหวาดเสียวแก่ชนผู้ประมาทแล้วชื่อว่าเป็นการบรนลืออย่างไม่หวั่นเกรงเพราะเป็นเหตุแห่งภัยทั้งหลาย น, นะคือเหตุแห่งภัยทั้งหลายเนี่ยท่านละได้แล้วด้วยดีโดยประการทั้งปวง เช่นเดียวกับการบรรลือศีรษนาฏของพระเถระทั้งหลายผู้มีตนอันอบรมแล้วผู้ไม่ประมาทแล้วผู้มีตนอันอบรมเลยนะท่นแสดงว่าในตรงนี้ท่านไม่ได้ขับเน้นเรื่องอัตตาอะไรเลยไม่ได้กลัวเรื่องคําว่าอัตตาอะไรเลยเนี่ยนะนะซึ่งคําว่าตนในที่นี้รู้กันว่าหมายถึงจิตเจตสิกเนี่ยนะนะหมายถึงภายในตัวไม่ได้หมายภายนอกนะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่หมายถึงตนที่เป็นส ก, กายติทิเนี่ยนะนะ ก็มีการแยกไม่ใช่อัตราแบบนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเอกผู้ที่มีตอนอันอบรมแล้วผู้ไม่ประมาทเนี่ยเป็นการบัลลือเป็นคําพูดที่ไม่หวั่นเกรงทั้งนั้นนะนะกระทําความหวาดเสียวแกมมรึกอื่นจากราชสีเพราะไม่มีภัยในที่ไหนๆของราชสีที่เป็นราชาแห่งหมุมมรึกบัลลือเสีหน้าจอยฉะนั้นทีนี้ก็มาขยายคําว่าภาวิตตานังมีตอนอันอบรมแล้วเนี่ยนะ คำว่ามีตนอันอบรมแล้วในเทระคาถาเนี่ยขยายไว้หลายในมากเนี่ยนะซึ่งในที่หนึ่งก่อนเลยว่าผู้มีตนอันอบรมแล้วได้แก่มีจิตอันอบรมแล้วตนตัวนั้นแปลว่าจิตแต่มีตนอบรมแล้วนี่นะฮะความจริงก็ก็ไม่ต้องแปลว่าจิตก็ได้ก็เข้าใจอยู่แล้วครับถ้าผมอบรมแล้วถามว่าอบรมอะไรถ้าไม่จะอบรมจิตแล้วจะอบรมอะไรครับ คือตรงนี้เนี่ยนะมีความหมายหลายๆอย่างนะซึ่งอาจจะหมายถึงอัตภาพก็ได้คือหมายถึงภายในเนี่ยนะนันก็จะค่อยๆขายายหลายๆาในด้วยกั น, น, นตอนแรกก็ชี้ชัดก่อนว่าหมายถึงจิตก่อนนะคำว่ามีตนอบรมแล้วเนี่ยเอาส่วนไหนของร่างกายมาอบรมเอาไปเพากกายใช่ไหม<ร>ไม่ใช่เราฟังดูแล้วนะมีตนนั้นอบรมแล้วเนี่ยจะไม่เคยคิดไปเลยว่าอบรม <şu 1> อัตตามันไม่เหมือนด้วยอัตตานุที่ถิ่ใช่ไหมอบรมอัตตานุที่ถิเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยครับเจนวานเพราะฉะนั้นเขาบว่าไม่ใช่ตัวนอกตัวอะไรอย่างนี้ก็ที่แหละก็ภายในอ่ะนะทีนี้ภายในเนี่ยมุ่งไปหาอะไรในบรรดาอบรมรูปะขันใช่ไหมไม่ใช่อบรมเวทนาขันใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เน้นที่อบรมจิตก่อนเนี่ยนะยกยกให้เห็นว่าเน้นไปที่จิตก่อนนะเป็นอันดับแรก แม้แต่อบรมทางรูปปรรมก็ต้องมามีจิตเป็นสมุทฐานอยู่เดียครับเจนพรพูดถึงว่าทางกายทางบาจานะเจญพรมันนี่ไม่พ้นเรื่องจิตเจญพรอธิบายว่าผู้มีจิตอันอบรมแล้วอธิบายว่าตน อ, อท่านเรียกว่าตนเหมือนคําว่าจิตที่เรียกว่าตนเนี่ยมีอยู่หลายแห่งนะในพระไตรปิฎกเช่นคําว่าตนแลฝึกได้ยากไม่ไม่มีอะไรจะฝึกยากเท่าตนเลยวงั้นน่ะอันนี้หมายถึงจิต ผู้ดายแลมีจิตตั้งมั่นแล้วจะเป็นผู้ซื่อตรงดุดกระสวยทอผ้าฉะนั้นอันนี้ก็ที่บอกว่าผู้มีตนตั้งมั่นแล้วก็คือมีจิตตั้งมั่นะนะเนเหมือนอีกประโยคหนึ่งบอกว่าอัตตะสัมมาปณิธิอันนี้อันนี้อัตตาตัวนั้นหรืออัตตะสัมมาปณิทิอันนั้นแปลว่าจิตนั่นเองเห็นไหผลาวิตตาตานางตนในที่นี้จึงผู้ผู้มีตนอันอบรมแล้วหมายถึงอบรมจิตแล้ว เพราะฉะนั้นจึงได้ความว่าจิตของพระอริยบุคคลเนี่ยนะหรือพระอริยบุคคลผู้ยังจิตให้เจริญยิ่งแล้วด้วยสมถะและวิปัสนาที่ว่าอบรมจิตเอาอะไรมาอบรมเอาสมถะเอาวิปัสนาสมถะวิปัสนาเป็นชื่อของเจตสิกใช่ไหมเอาเจตสิกที่เกิดในจิตนั่นแหละมาอบรมถ้าอบรมเจตสิกก็เท่ากับอบรม จิตถ้าอบรมสติเจตสิกอบรมวิริยะเจตสิกอบรมสมาธิเจตสิกอบรมปัญญาเจตสิกเป็นต้นเนี่ยถ้าอบรมเจตสิกเหล่านั้นเหล่านั้นแล้วก็ชื่อว่าอบรมจิตเพราะเจตสิกเหล่านั้นนั้นเนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นเจตสิกเนี่ยไม่ได้เกิดพ้นจากจิตเลยยังไงก็ต้องเกิดกับจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นอ่ะประกอบเนื่องๆซึ่งอธิจิตคือ ท่านผู้ยังจิตให้ถึงที่สุดแห่งสมถะและวิปัสนาภาวนาดํารงอยู่ผู้สมถะภาวนาเนี่ยสมถะกับวิปัสนาภาวนาเนี่ยนะเบื้องต้นอาจจะมีการเหลื่อมล้ํากันบ้างเช่นสมถะก่อนวิปัสนาหลังวิปัสนาหลังสมถะก่อนอยังไงนะในในเบื้องต้นนะคือก่อนที่อริยมรรคจะเกิดแต่ขณะอริยมรรคสมถะวิปัสนาต้องควบคู่กันไปถามว่าท่าที่สุดของสมถะวิปัสนาคืออะไร ที่สุดของสมถวิปัสสนาก็คืออรหัตผลขณะที่สมถวิปัสสนาคู่กันคือมัคมัคมีสี่มัคโสดาสกธ า, าคามีนาคามีและอรหัตมัคที่สุดของสมถวิปัสสนาจึงเป็นอรหัตตผลก็ดำรงอยู่เพราะฉะนั้นคําว่าผู้มีตนอันอบรมแล้วเนี่ยนะคือมีจิตอันอบรมด้วยสมถวิปัสสนาแล้วก็ดำรงอยู่ด้วยอรหัตตผลนั่นเองเเอีกอย่างหนึ่งภาวิตตานังเนี่ย มีตนอันอบรมแล้วเป็นสภาวะเนี่ยนะก็หมายถึงภายในอ่ะนะคือมีอธิบายว่ามีตนอันอบรมแล้วด้วยคุณธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นอันเป็นไปแล้วตามสภาพเนี่ยนะก็เอาศีลมาอบรมภายในตัวเนี่ยนะเอาสมาธิมาอบรมภายในเอาปัญญาเป็นต้นมาอบรมภายในเนี่ยนกะ็ใครจะรักษาศีลไปอบรมคนอื่ น, นบ้างไหมรักษาศีลเพื่อคนอื่นเนี่ยไม่มีหรอกเนี่ยนะก็รักษาศีลเพื่อ อ, อบรมตนนั่นแหละ ส่วนคําว่าคาถาแปลว่าคําร้อยกรองเนี่ยนะคำร้อยกรองคาถาเหล่านั้นชื่อว่าอัดถูปนายิกาเพราะคาถาว่าน้อมเข้ามาหรือน้อมเข้าไปซึ่งประโยชน์ท er <ningar> ั to to ้งหลายมีประโยชน์ตนเป็นต้นคาถาของผ้าเถระเหล่านั้นเนี่ยนะหนึ่งจะได้ประโยชน์ตนไงประโยชน์ตนจริงๆคืออะไรประโยชน์ตนนะประโยชน์ตนก็มาแบ่งเป็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งนะประโยชน์สูงสุดคือพระนิพานเนี่ยท่านที่จะได้ประโยชน์ก็คือ เนี่ยประโยชน์ในโลกนี้คืออะไรก็รู้กันอยู่แล้วนะถ้าประโยชน์โลกหน้าประโยชน์โลกหน้าก็ทานศีลเป็นต้นถ้าประโยชน์อย่างยิ่งก็ปฏิบัติอริยมรรคเพื่อพระนิพานนั่นแหละเพราะฉะนั้นคําพูดเหล่านี้เนี่ยจะนําให้ได้รับประโยชน์ทั้งประโยชน์โลกนี้หนึ่งเราไม่เคยทาบาปที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนใช่ไหมประโยชน์โลกหน้าถ้าถ้าปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นเนี่ยจะไปอาบายไหมไม่ไปถามว่าสา ม, มารถทําที่สุดแห่งทุกได้จริงไหมจริงเพราะว่าท่านเหล่านั้น่ะ เป็นตัวอย่างในการปฏริบฤติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วแล้วก็ประโยชน์ที่พระเถระเหล่านั้นกล่าวเนี่ยนะเป็นประโยชน์ที่ควรน้อมเข้ามาในภายในใช่ไหมอรหัตผลเนี่ยท่านเหล่านั้นมีเราเราน้อมเข้ามาภายในมาเราจะเป็นเช่นนั้นบ้างอนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังแล้วก็เป็นคําที่ควรน้อมเข้ามามาหาตนเหมือนกันว่ อ, อหวังว่าขอให้เรามีคุณธรรมเช่นนั้นบ้างเนี่ยนะเมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งนะ